อาพุธเจ้าบอกว่าถ้าใครละธรำหกอย่างต่อไปนี้ไม่ได้ไม่สามารถจเจริญสติปัฏฐานทั้งสีได้ผู้นี้ ไ, ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ถ้าใครไม่สามารถละธรทำหกบการต่อไปนี้ไ ด, ไาาได้ไม่สามารถที่จะทําจิตให้เป็นสมาธิได้ไม่สามารถที่จะเจริญสติปัฏฐานสี่ได้เรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องพูดถึง ทำ6อย่างต่อไปนี้มีอะไรบ้างพูดเป็นภาษาของเราเลยอันที่หนึ่งไม่ชอบไปหางานที่ไม่จาเป็นมาทำทางงานอะไรที่มันเป็นเรื่องธรรมดาความเป็นอยู่หรือว่าเป็นอาชีพถ้าเรามีชีวิตอยู่ได้มันมีความจาเป็นอันนั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิต ต, ตามปกติแต่ว่าในขณะที่ทำงานก็ต้องถือว่าเป็นการ ปฏิบัติธรรมคือหน้าที่ของชีวิตเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างเนี้ท่านไม่ได้คิดเหมือนคนปัจจุบันนี้นะคนปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าคนที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องมีทุกข์มากๆจะเป็นจิตตายไม่มีทางออกแล้วค่อยมาปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ต้องเพลิดเพลินสนุกสนานลื่นเลิองบันเทิงหาสิ่งบํารุงบําเลอปุ่นเปลอือ เราคิดว่าอันนั้นคือความสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นอย่างนั้นท่านเห็นว่าอย่างนั้นเป็นความหลงหลงชีวิตไม่รู้จักชีวิตของตัวเองดีวิ่งไปตามความอยากความต้องการตามตัณหาตามอำนาจของอวิชชาความ ง, ง่งความหลงมันคนละแบบกันเพราะชาวโลกส่วนใหญ่จึงหลงถ้าเราจะเดินตามทางของพระพุทธเจ้าก็ต้องสารวจดู คุณสมบัตินี้มีไหมเราชอบหางานที่ไม่จําเป็นมาทำไหมถ้างานประเภทไหนเราทําแล้วจิตเราสงบจิตเราเป็นสมาธิง่ายได้ก็แสดงว่ามันเป็นสื่อทําให้จิตไปทางสงบหรือ ง, งานอะไรเราพอใจมันเป็นกุศลนะเปนฝ่ายดีมันเหมือนไม่ใช่งานอะทำข้าวปลาอาหารปลูกต้นไม้มันทําแล้วมันเบิก บ, บานเนี่ยแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นหล่มเป็นเงา เรามีสติอยู่ในการทาอันนี้ไม่เรียว่างานแล้วถือเป็นการปฏิบัติธรรมไปเลยได้ทั้งประโยชน์ภายนอกและก็ประโยชน์ภายใน ง, งานที่ไม่ยาเป็นก็คืองานที่มันไปเสียเวลาเพิดเพลินอย่างของเรายัางดนะีมันไม่ค่อยมีคลื่นถ้ามีคลื่นหัวเขาเล่นไลน์เล่น a c e b o o k เล่นแชนร์กดไลน์อะไรไม่มีเวลาปฏิบัติแม้แต่ในผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน กดดูธรรมะที่แรกก็บธรรมะคนนั้นว่าอย่างนั้นว่ า, างนี้ไปไม่ตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าธรรมะก็เป็นประเภทเกี่ยวกับอะไรอะเรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้เรื่องบุญเรื่องนู่นพาเวียนไม่ตายเกิดมรณะคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับทฤษฎีไปอย่างนั้นี่ยมันไม่เน้นเข้ามาภาคปฏิบัติไม่เข้ามาหาใจตัวเอง เพราะอะไรที่มันจะดึงดูดจิตเราให้มันไหลออกไปหรือวไม่ทํางานแบบนั้นไม่ชอบทํางานแต่ว่าอะไรที่มันทําแล้วมันเป็นสื่อทําให้จิตเราสงบเป็นกุศลทําให้จิตมีกําลังอั น, นุนกลับทําได้มันทําให้จิตเบิก บ, บานอิเบิบสงบมีกําลังจิตมีกําลังมันพอใจตัวเองเพราะมันเป็นความดียิ่งได้เสียสละตัวตนออกไปด้วยเวลาทลาาําเราพยายามควบคุมตัวเอง ทำเพื่อละตัวตนจําไหมนะทําอะไรที่มันเพิ่มตัวตนันเพิ่มกิเลสแล้วเพิ่มอัตตาเพิ่มอัตตาปั๊บจิตคับแคบทันทีเลยนะแต่ถ้าทําเพื่อส่วนรวมทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อส่วนรวมทําเพื่อศาสนาเนี่ยใจมันจะกว้างทันทีเลยจิตที่ไม่เห็นแก่ตัวมันเป็นจิตที่กว้างขวางจิตมันก็เลยสบายสว่ยังเวียนไว่ายตายเกิดไปเกิดในที่กว้าง พวกสวรรค์อย่างนี้กว้างวีมอนก็ใหญ่โตที่ประสาทที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่สุขที่สบายเนี่เป็นเพราะผลของกรรมดีที่ตัวเองทำเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยต้องไม่แสว้งหางานที่ไม่จําเป็นมาทำยังไม่ชอบทำงานพูดในรัดสั้นเลยอันที่สองไม่ชอบคุย คุยนี้สำคัญนะเสียเวลาก็พูดเท่าที่จำเป็นก็ได้คนเราอยู่ร่วมกันจะไม่พูดคันกาไม่ได้พูดก็ต้องมีเบรกดูใจตัวเ อ, องไปด้วยพูดแล้วเราเมาเมาไหมเรามันไหมเราเพลินไหมเราไหลไปกับสิ่งที่เราพูดไหมต้องมีสติยับยั้งอยู่ตลอดเขาเป็นการปฏิบัติธรรม ส่วนใหญ่ถ้าสติยังไม่มีกำลังพูดเนี่ยมันจ ะ, ะไรออกมากถ้าสติมีกำลังเนี่ยพูดก็ต้องระวังเพอพูดแล้วบางทีมันเก็บ ม, มาคิดคิดแล้วมันก็ามาวุ่นวายอยู่ในจิตเราให้จิตมันเร็วมากๆเลยนะระแวงหวั่นไหวกลัวกังวลเราไม่ทันมันเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกแสกขึ้นมาทั้งหมดล่ะจริงไม่มีตัวตนอะไร เกิดแล้วก็ด็กแต่เราไม่ทันพวกเนี้ยกังวลขึ้นมาปัา๊บก็เป็นเรากังวลเราไม่ทันมันวันไวขึ้นมากลัวขึ้นมาแล้วจิตใจก็เริ่มไม่สงบแล้วมันมาจากความหลงทั้งหมดอ่ะนี่แหละพวกนี้อํานาจของกรรมเก่าด้วยผลของกรรมเก่าที่ให้ผลในปัจจุบนันเขาเรียกวิบากนี่เราวิบากกรรมใช้กรรมก็คือดูพวกนี้ให้ทันมัน เห็นมันเกิดเห็นมันดับไี่ใช้กรรมทันทีเลยนะไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะต้องเห็นมั น, นะถ้ายังไม่เห็นก็ต้องหาทางให้จิตกลับเข้ามาสักก่อนอันนี้เรามีผลมากมีอนิสงส์มากเพราะมันมีคุณค่าต่ตอจิตใจมันเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยก็คือมีสติรักษาจิตตัวเองเริ่มตั้งแต่คุมจิตเอาไว้ก่อน มันไหลไปก็เป็นธรรมดายธรรมชาติจิตมันต้องคิดต้องนึกปรุงแต่งเราต้องรู้อีกเข้าใจธรรมชาติของจิตจิตคือธรรมชาติที่นึกคิดปูงแต่งอารมณ์คนมีจิตมันต้องคิดมันไหลไปกับอารมณ์เพลินไปกับอารมณ์อยู่เรื่อยมันเร็วมากเลยนะปฏิกิริยาของมันนี่รวดเร็วแค่ตาไปเห็นอะไรมันก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นละ จะขู่วิญญาณในวิญญาณก็จะมีสัญญามีสังขารมันรวดเร็วจริงๆเลยนะแต่เราไม่ใช่จะไปห้ามมันเขาพยายามต่อไปจนกว่าจะทันทำใจสบายๆไม่ยินดีไม่ยินลย้ลยถ้ามันเออไม่สบายใจผลของกรรมเก่าก็รู้แล้ววิบาก พี่บั ก, กรร ม, มันในผลเราก็มีหน้าที่มีสติรู้เห็นมันแล้วก็ใช้กรรมไปอดทนไปสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างดูมันไปเพราะหลักของพู้เจาพยายามปรับไม่ยินดีไม่ยินหลและความยินดียินไลยในโลกนี้เสยได้ไม่ชอบงานไม่ชอบคุยอันที่สามก็ต้องไม่ชอบนอน บางทีกลางคืนนอนพอแล้วกลางวันยังเอาอีกเกินไปเราไม่ยอมนอนกลางวันสมัยปฏิบัติฝึกอดทนกลางคืนมันนอนแล้วนี่กลางวันไม่นอนสู้มีพระองค์หนึ่งตอนนั้นไปจำบัญชาที่ผู่สังโขนี่ละ่ะองค์นี้เคยจำบัญชาที่วัดดอยธรร ม, มาจีดีด้วยกันก็ท่านก็นมาสนทนาด้วยท่านเรียกเราอาจารย์อาจารย์ครับ ผมเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องนี้แหละเรื่องการนอนกลางวันเลยโอ้ผมตั้งแต่บวชมาไม่เคยเลยที่ไม่ได้นอนกลางวันแต่ว่ถ้าเป็นคนจันทบุรีนะโอ้เราบอกว่าอันนี้มันเป็นทุดงนะเนี่ยนอนกลางวันเป็นวัดรู้ปะคุยกันโว้ล้อไปโหท่านต้องเข้มแข็งกว่านี้อต้องไม่นอนแล้วต้องสู้กันถ้าอย่างนั้นจิตมันอ่อนแอเนี่ยแพ้มันตลอดเลยกลางคืนมันนอนแล้วกลางวันอย่าให้มัน ผูท่านรมนะท่านอธิษฐานจิตเลยตลอดพรรษาจะไม่นอนกลางวันโอ้วันแรกท่านบอกออ้เดินแทบไม่ไหวเลยนะ้ตามจะหลับแข้งขาแทบไม่มีแรงดูสิแปลกดีนะป่วยเลยวันต่อมาเป็นไข่มันจะเอาให้แพ้ให้ได้ท่านก็มาปรึกษาไม่รู้จะไหวหรือเป่สู้ท่านร้องอธิษฐานแล้วนอนจะได้ได้ท่านก็สู้ท่านก็มาเล่าให้ฟัาแรกๆนี่นหนัก มันเอาจะแพ้ให้ได้แทบลืมตาไม่ขึ้นดันว่าให้ฉันให้น้อยไว้อดทนมันง่วงมาไว้นั่งตากแดดเลยบอกวิธีให้นั่งในน้ํานั่งตากแดดเอาวิธีไหนมันจะตื่นเอาหมดท่านก็สู้ไปจนอกคนสษาผ่านไปได้โอ้จิตเข้มแข็งเลยนะมาเจอกันทีหลังดีอกดีใจตั้งแต่นั่นมาเข้มแข็งเลยท่านว่าทัานกามทันอะไรหมดเลยนะ อมอะไรยังเป็เข้ามาทางจิตเห็นหมดเลยแต่ก่อนอ่อนแอโดนมันลุมหมดพอจิตเข้มแข็งขึ้นมาเห็นหมดมันเข้ามายัางไงเห็นมันเกิดเห็นมันดับเนี่ยถ้ายู่รอดปลอดภัยมาไปเป็นชาววาดอยู่ทางไหนไม่รู้เป็นคนจันทบุรีเรื่องนอนต้องเอามาฝึกจิตตัวเองตอนแรกก็อาจจะนอนสักห้าชั่วโมงหกชั่วโมงได้อยู่จะน่นค่อยลดลงไปต่อไปถ้าเกินสี่เนี่ยมันจะรู้สึกหนักๆแล้ว นอกจากว่าไข่ที่มันมีโครคไข้ไข้เจ็บนะแต่สมัยปฏิบัติอยู่นอนเกินสีไม่ได้รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยสบายถ้าสี่ชั่วโมงดิลด์ลดลง ม, มันเบาความรู้สึกตัวเราสติดีมันก็อาจจะเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับสมาธิเกี่ยวกับสติอะไรด้วยแล้วมันทําให้เข้มแข็งครับอันที่สีนี่ต้องไม่ชอบฮุกคีฮุกคีเนี่เขารวมกลุม่มกันที่ไหนกันปุ๊บไปอันนี้ฮุกคีเพราะว่าธรรมะของพรจาอันโต้บีเวก วิเวกตาตาวิเวกตาชอบวิเวกวินะเนี่ยแปลว่าอย่างยิ่งวิเศษบวกเอกต้องอยู่ผู้เดียวอย่างวิเศษอย่างยอดเยี่ยมเนะ่อยู่กับหมู่กับคณะก็พยายามอยู่กับตัวเองเนีย่ยวิเวกวิเวกคืออยู่กับจิตของตัวเองนั่งหันหลังให้บางหันเข้ามุมบางฟังธรรมะบางหาหนังสือธรรมะบางเนีย่ยจิตเรามันก็จะหมุนอยู่กับธรรมะ ถ้าเราเข้มงวดกวดขันตัวเองเนี่ยมันจิตมันจะเข้ามาเร็วถ้าอ่อนแอเมื่อไหร่มันจะไหลออกไปพวกโทรศัพท์อะไรไม่จําเป็นเนยอย่าโทวกไปมันไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาเดี๋ยวก็ไปฟังเรื่องนั้นฟังเรื่องนี้เราต้องการวิเวกต้องการอยู่กับจิตของเราต้องเข้มแข็งด้วยเราไม่ได้มีธุรกิจอะไรมันอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นในความอยาก ต้องชนะมันเราต้องเข้ามาดูจิตเราเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยใช้โทรศัพท์ตั้งแต่บวชนมามาอยู่ที่นี่เหรอพอเริ่มทํำนู่นทํานี่แล้วเอาต้องลงไปข้างล่างไปโทรศัพท์ต่อมาก็มีพระองค์หนึ่งท่านมาอยู่ด้วยท่านก็ไปหาตรวจ ด, ดูขึ้นคือท่านมีโยมแม่โยมแม่ท่านก็คิดถึงอะอยากโทรศัพท์ถึงลูกไปเจอขึ้นก็ไปตั้งแผงตั้งอะไรนะเราก็เห็นว่าอื่นนานๆได้โทรทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรอะก็โทับไปตรงกลางเลย แต่ก่อนไม่ให้กันมีโทรศัพท์นะเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่ามันโอกาสที่จะโทรศัพท์มันก็ยังน้อยอยู่ก็ปล่อยๆแต่ก็ดูๆอยู่นะถ้าใครควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องไม่ให้มีโทรศัพท์มันต้องเข้มงวดกดขันตัวเองเรามาเพื่ออะไรเรามาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอันไหนมันจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการเจริญก้าวหน้าของจิตใจต้องบังคับควบคุมตัวเอง ไปตามใจกิเลสไม่ได้ทําให้เราอ่อนแออ่อนแอบั๊บพกมารพวกอะไรได้ช่องทันทีกิเลสโจมตีทันทีเลยใจเราเองนั่นแหละมันจะเริ่มตำหนิตัวเองแล้วเพิ่มคิดไปในทางที่มันจะทําหนิตัวเองปรุงแต่งไปอ่อนแอสมาธิก็ไม่แข็มแข่งไม่เข้มแข็ ง, ขงปฏิบัตินานขนาดไหนมันก็ไม่คือจิตไม่มีกําลังเนี่ขาดพลังของจิตจิตไม่ตั้งมัน่นนี่ข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายมันจะทําต้องทําให้จิตเอกเราเข้มแข็ ง, ข, ง, ข, งขึ้นมา เพราะมันต้องพยายามอยู่กับตัวเองอันที่ 5, ห้ารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอาหารนี่จะมีแทรกอยู่ตลอด่ะลดทดลองเลยพ่อนเลยพ่อนลงไปพ่อนลงไปต้องเอาชนะใจเราให้ได้สู้กันฝึกพ่อนเราก็ไม่ได้อดถึงจะเป็นถึงตายเลยต้องการฝึกจิตตัวเองบางคนพ่อนก็ยังไม่กล้าพ่อนลดลงไปเลยเครึ่งหนึง่งดูวันนี้มันเป็นยังไงอ่อนเพลียไหมตายไหมกล้าไหมฉันข้าวปเป่า อันนี้ใครอยากลองก็ลองได้ฉันแต่ผลลไม้ฉันแต่ผักว่าไว้ตามเรื่องคือทดลองจิตตัวเองเฉยๆมันต้องกล้าอดก็กล้าอดทํามันให้มันรู้ด้วยการปฏิบัติของเราเองอดก็ไม่ใช่ว่าจะไปแสวงหาอนนุนันนิมามต้องเข้มแข็งอดต้องคอยสอดส่องหมู่เก็บอะไรไว้ให้บ้างแล้วอดไปทํำไมอย่างนั้นนะกดก็คืออดเราอดเพื่อดูจิตเราไม่ใช่อดก็มีองค์หนึ่งอะ โอดอาหารเงี้ยเอาบาดไปวางไว้กุฏิเพื่อนเอาบอกน้อาางตามท่านโอดอาหารทำไมเอาบาดไปวางไว้กุฏิผมผมคิดในใจผมอธิษฐานจิตว่าแล้วแต่บุญของผมว่าถ้ามีบุญหมู่ก็จะอ า, อาหารมาให้ว่าแบบนี้จะไปโอดทาไมออะไรเอาวอนอยากหมู่ก็แเห็นอกเห็นใจรูกคิดว่าป่วยไข้เขาอาหารมาให้ ม, มันต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองอดคือโอดเราต้องการความเข้มแข็งของจิต ดูสิอดแล้วเป็นยังไงให้มันรู้เฉยมันคางแครงวเอ้ยเราน่าจะอนี่ยังเอานู่นเอานี่นี่นี่การประมาณรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเพราะถ้าเอาวอาหารมันเยอะมันจะเมาลองเมาอาหารเนี่ยสติดีขนาดไหนก็ช่างสมาธิดีขนาดเบอร์หมดอ่ะไม่มีทางมันจะฉาดพ้นสมาธิพืงสติพวกนี้มันต้องอาศัยร่างกายที่เหมาะสมด้วยระบบประสาทมันเป็นเครื่องใช้ของจิตระบบสมองของเนี้ยระบบประสาทสมองท้าอาหารมาก เลือดมันมาคั่งในกระเพาะร่างกายก็ทํางานมากมันก็ซึมมันต้อเกี่ยวข้องไปหมดเลยนะี่ยทนสุดท้ายสํารวมตาหูจมูกดินกายใจสํารวมบทรีย์สีอั น, น, นไหนมีควรดูอย่ไปดูให้ควรฟังอย่าไปฟังให้มันหมุนอยู่กับธรรมะเนี่ยประมวลเข้ามาเนี่ยพระพุทธเจ้าเอาทุกอย่างมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตไม่ใช่จะเอาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวการดําเนินชีวิตเราเลยของเรานี่เน้นตั้งแต่ทีแรกความเป็นอยู่ต้องถูกต้อง การเกี่ยวข้องกันก็ถูกต้องมาอยู่ด้วยกันยังมีเมตตาต่อตการเห็นอกเห็นใจกันเพื่ออะไรเพื่อจิตรักษาจิตของแต่ละคนไม่ต้องมามีเรื่องบุญไหว้อยู่กับเรื่องข้างนอกไม่ต่างกับคนต่างที่เข้าไปหาจิตตัวเองดูจิตตัวเองแอบดูจิตเราก็ยากอยู่แล้วยังจะไปหาเรื่องหาลาวหาโน่นหานีมาทับถมจิตมันเสียเวลามันเป็นเรื่องของชาวโลกเขาเราเป็นชาววัดยิ่งเป็นนักบวชเนี่ยยิ่งจาเป็น ก็วันเราก็ดูลงตัวอยู่ก็ยังไม่เป็นที่อะไรหนักใจพระององค์เดินก็เป็นผู้ใหญ่รู้จักรับผิดชอบอยู่ในขอบของธรรมวิ น, นัยญาติโยมก็รู้จักหน้าทีด่ดีช่วยเหลือกันดีต่างคนต่างก็ทําเพื่อประโยชน์แก่าศาสนาประโยชน์ตนประโยชน์ศาสนาไปด้วยประโยชน์แก่วัดนี่เลยคือประโยชน์ศาสนาเลยประโยชน์แก่ธรรมะ ดูแลครบูบาอาจารย์นี่กัเกี่ยวกับธรรมะเป็นเรื่องของธรรมะอย่างนี้ไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยเป็นห่วงพอ ร, รู้สึกว่ามันก็ที่ธรรมะนี่มันก็ทําให้จิตของคนเรามันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีปัญญาพอแก้ปัญหาใจตัวเองได้มันก็อย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนี่ยแต่ทุกคนก็รู้หน้าที่ทําหน้าที่ของตัวเองไป อะไรควรช่วยกันก็ช่วยกันไปมันก็ทําให้มธรรมะมันเจริญอันนี้มันก็เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งพอความเป็นอยู่มันเป็นธรรมปั๊บความการเกี่ยวข้องกันนี่คือศีลไม่เบียดเบียนกันมีเมตตาต่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเรื่องของศีลหมดครานศีลไม่ใช่แคบแค่าศีลหาศีลแปดแล้วเราไม่อยากพูดถึงในอย่างเงี้ยมันเป็นของเด็กเล่นไปหมดแล้วศีลจริงๆมันต้องมีเกี่ยวข้องกันถูกต้องนี่เป็นเรื่องของมรรค อรยมรรสีลสิขาเหี่ยวห้องกันถูกต้องมีการช่วยเหลือ ก, กันแบ่งปันกันมีน้ําใจต่อกันเหมือนอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมไปหมดแล้วจากนั้นรักษาจิตก็ง่ายทีนี้ไม่ค่อยมีความขัดข้องไม่ละแวงซึ่งกันและกันบางทีจิตมันก็ต้องมีบ้างพอใจไม่พอใจต่างคนต่างก็ดูจิตตัวเองนี่จิตสิขาศึกษาจิตรักษาจิตของตัวเองปัญญาศิขา ทำอะไรก็เพื่อระตัวรับตนมันก็จะพยายามเข้าไปหาปัญญาปัญญ า, าจริงต้องอาศัยสมาธิแล้วก็เห็นรู้สึกถึงกายมันไม่ใช่จิตไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังการวิญญาณว่าจะเห็นขันหานี้แหละมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปัญญาสิกขาเนี่มันต้องไปเห็นในสมาธิในขณนะเส้นจิตมันตั้งมัน ไม่ใช่มันมีสมาธิลึกซึ้งนะเป็นสมาธิที่มันเหมือนกับมันเป็นตัวของตัวเองขึ้นมานิ่งแล้วก็รู้ได้เราเน้นสมาธิตั้งมั่นส่วนมัจะลึกซึ้งขนาดไหนเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่เราเน้นให้รู้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทํำยังไงก็ได้เห็นว่ามีเราละอวิชชาคนพระโสดาบันในสิ่งที่จะละอันแหลกสักยทิฏฐิสักยะก็เห็นว่าเป็นเราเป็นของเราทิฏฐิก็ว่าเห็นผิด เห็นว่าเป so, ็นตัวเราเป็นของเราคือเห็นขันห้าเป็นเราเป็นของเราก็ต้องละสักยที่ตีละความเห็นผิดว่ามันมีเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะนั้นเริ่มต้นก็คือพยายามไม่มีเราก็คอยสังเกตดูความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันก็จะมาในรูปกลัวกังวลอยากนู่นนี่นั่นเนี้ยเนี้ยมาทำเพื่อเราหมดแล้ะเราอย่างนั้นเราเนี่ยทเพื่อเราแต่ความอยากบางอย่างอ่ะมันถ้าเราไม่เข้าใจมันมีปัญญาประกอบ เขาไม่เรียกความอยากเนี่ยมันมีความจําเป็นดบางทีเรียกว่าชันทะมันมีความจําเป็นมันมีความเหมาะสมความสมควรอยู่ในตัวมันเองบางทีจิตเรามันมันยังหาความพอดีไม่ได้บางทีมันก็สงสัยถ้าสงสัยต้องดัดมันซะก่อนของเราใช้วิธีเนี้ยทําไม่แน่ใจว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมหยุดเลยไม่เอาเอาจนมันชัดเจนว่าเป็นกิเลสหรือเป็นธรรมะมันที่ยละความรู้สึกเป็นตัวเป็นตน ก็เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาต้องยึดมันซะก่อนจิตมันไปยึดไปติดไปคล้องอะไรยุดก่อนให้เห็นอาการที่ความอยากความอยากที่มันไหลไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปถึงเพราะตัวนั้นเราเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ตัวนี้เขปัญหาคืออุปทานอุปทานก็มันก็มาจากตัณหานแหละมันจะทาตามตัณหาตัณหาก็มันก็หลงอยากทาเพื่อตัวเราอยากให้เรามีความสุข แต่ความสุขมันเป็นแค่สุขเวทนามันเป็นหลงว่าความสุขเป็นเราเวทนาเป็นเราเป็นของเรามันสั้ำบ้านกันไปหมดอ่ะเพราะนั้นต้องปรับจิตให้อยู่ตรงกลางๆเอาไว้พยายามไม่ให้มีตัวมีตนนี่รัดสั้นที่สุดเลยนะเนี่ยอะไรโผลมาให้เห็นว่ามันเกิดดับให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสอนมันไปก่อนก็ได้สัญญาไปก่อนได้นึกธรรมะมาสอนจิตก่อนได้ถ้าสอนแล้วมันดื่มดำ มันพอใจใจมันเข้ามาอยู่กับตัวเองใจมันเข้าไปสู่สมาธิทําได้จนกว่ามันจะหยุดไม่จาเป็นต้องสอนมันเข้าใจแล้วมันจะหยุดเข้ามันเองมันเมื่อมันเข้าใจดูเฉยๆได้ดูเฉยๆบางทีมันเข้าใจไปหมดวางหมดเลยเนี่ยมันลึกซึ้งกันไปเรื่อยๆในบางทีมันไม่เอาอะไรเลยเฉยแต่เข้าใจหมดแล้วอะไรผัวมาไม่เอา อันนี้จิตที่มันละเอียดเข้าไว้เนี่ยมันจะคอยสังเกตแต่ว่าเเมื่อไหร่มันจะรู้สึกวับแวบเข้าไปในจิตแอบเข้าไปในจิตนอาการที่มันมีตัวตนมันแค่แวบลงก็ดับนี่มันก็หนักแล้วในจิตเนี่ยของความละเอียดของมันนะแต่ถ้าจิตมันยังหยาบอยู่มันเข้าไม่ถึงนะมันก็เลยวนเวียนอยู่เรื่องกลางนอกเรื่องวุ่นวุ่นพะจิตมันยังไม่ลึกซึ้งถ้าจิตลึกซึ้งโอ้ยอย่าว่าแต่จีเลรตัวหยาบหยาบเลยแค่อาการ ตึกขึ้นมาในจิตเนีเหมือนกับบเป็นเหลาเป็นมาแค่นั้นล่ะมันก็ก่อเกิดทุกข์ขึ้นในจิตล่ะมันถึงไม่ยอมถอยอันนี้มันก็อยู่ที่ภูมิของจิตจิตไขรหยาบจิตใครละเอียดขนาดไหนได้ละเอียดลงไปมันก็ว่างไปเลยนานๆก็ยังมีแวบยังมีกัรหนักมันยังไม่หมดตัวตนมันยังหนีมันก็จะพยายามต่อไปถ้ามันหมดจริงๆมันต้องไม่ปูุไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้ เพราะพลทหารมังรู้ว่าไม่ไปเกิดเพราะไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตเฉยจิตว่างไปเลยเหมือนไม่มีจิตไม่มีแต่มันก็ยังมีอะไรที่มันคิดได้เหมือนก็เลยมีเหมือนไม่มีไปพูดยังไงก็ได้สภาวะาตรงนั้นนะมองดูตัวองกระว่างเหมือนไม่มีอะไรมันก็เลยไม่อยากเอาอะไรแต่บางทีก็มีความรู้สึกเป็นเราขึ้นมาแต่เป็นเราแบบสมมุติเราไม่ใช่แบบเราแบบยึดติดข้องสรุปแล้วลูกพระพุทธเจ้าเป้าหมาย ก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าต้องดําเนินชีวิตถูกต้องเกี่ยวข้องกันถูกต้องเป็นเรื่องของศีลศีลลสิกขาไตรสิกขาสิกขาสามอย่างศึกษาสามอย่างศึกษาศีลทีนี้ศีลเราไปมองแคบๆศีลหน้าศีลแปดปฏิบัติอะไรไม่ได้แต่ก่อนเรางงเลยเอ๊ยศีลเป็นบาตฐานของสมาธิมันเป็นยังไงเรอพยายามทำความเข้าใจมันก็ไม่รู้ นานเข้านานเข้าอ๋อมันมีสติมันระวังกวัวขุมจิตโอสีนี้มันอยู่ในจิตนี่เวลามันเจตนาไม่ดีปั๊บทันกันมันละได้มันเป็นศีนตอนน้นถึงว่าสีนี้มันทําให้จิตเป็นปกติสีหน้าเป็นสีแปดสีสี่ผู้เจ้าไม่เรียกว่าศีลนั่นเรียกว่าสิกขาบทพ่อปฏิบัติโอ้ถึงได้เข้าใจภาษามันก็สําคัญเหมือนกันนะงงอยู่ตั้งนาน่ะ ขาบทข้อปฏิบัติปฏิบัติแล้วสติสัมปชัญญะมันนีขึ้นมารู้เท่าทันเจตนาไม่ดีละเจตนาที่ไม่ดีคือตรงศีลเลยทิงไ ด, ดนนว่ามีเจตนาหมดเว้นหรือละเจตนาละความยิน ด, ดียินร้ายละความยิน ด, ดีร้ายมาขึ้นมาขึ้นก็เป็นสมาธิศีลมันก็เป็นบาตรฐานของสมาธิโอเข้าใจ บางทีมันไม่เข้าใจปฏิบัติมันก็ปฏิบัติไม่ถูกหนึ่งสีกูไปพูดกันแต่สีห้าสีแปดสีสิบสีสองรอยี่สิบเจ็ดอาทิตย์ศีลยิ่งสีในจิตละเจตนาที่ไม่ดีตอนแรกก็มีเจตนางดเว้นก่อนคุมมันก่อนคุมมันแล้วพราะมันจอยากจะทํามองกันไปทันกันทันกันมันก็ละเจตนาที่นี่ สติควบคุมจิตมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นมากขึ้ น, นจิตจสิกขาจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาถ้ไปกับปัญญาคอยปล่อยวางถ้ามันเห็นว่าผมมันเป็นของเกิดดับมเห็นว่าไม่ใช่เราก็วางไปเรื่อยจิตจะหดตัวเข้ามาหาตัวเองมันจะไม่ส่งกะระแสไปยึด น, นี่มันต้องเห็นเห็นด้วยจิตนี่เขาเรียกว่ายานการเห็นด้วยจิตเพราะเราก็ต้องมา ศึกษาคําสอนของพระบุตธเจ้าช่องทางไหนนี่มันจะเป็นดูประสัตผู้เจ้าห้ามเอาไว้สอนเอาไว้แล้วก็เอามาเอามาสํารวจตรวจสอบตัวเองพยายามที่จะแก้ไขตัวเองก็ต้องมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องทดสอบเป็นบรรทัดฐานไม่เอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่เป็นหลักยกผู้เจ้าขึ้นมาเลยอันไหนผิดบกพร่องไปจากคาสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้เราก็จะมีหลักที่นี้ เดินตามพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเห่เวลาปฏิบัติเนี่ยมพอใจสร้างเหตุพอใจปฏิบัติผลของการปฏิบัติเป็นยังไงแล้วแต่สภาวธรรมเอาอย่างนี้เลยวางเลยเฉยเลยเพราะเรานี่ไม่กลัวว่าสงบหรือไม่สงบเพราะเราพอใจปฏิบัติพอใจสร้างเหตุเท่านั้นถ้าไปเ น, น้นที่ผลแล้วมันจงมันจะเป็นกังวลนะอยากสงบกลัวไม่สงบเนี่ย อันนี้พอใจมีสติเรื่อยไปสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ไปเลยเฉยเลยมันมาอย่างไงก็จังพยายามรู้ไว้รู้มันไว้ถ้าเป็นผู้หลา์แล้วก็จิตมันเป็นอยู่แล้วเลยรู้เลยว่าจิตมันเป็นอะไรมาก็ไม่กลัวเพราะจิตมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วบางทีร่างกายมันมีอะไรบูมว่าออกมามันก็ ก็จิตมันปกติอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติมันอยู่แล้วเดี๋ยวมันดับของมันเองอถ้าไปกลัวมา เ, เอาแล้วนนะนเนี่ยกังวลเนี่ยสร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้ววันไว้เนี่ยเอาอีกแล้วหวาละแวงเนะี่ยมีแต่จะไปสร้างปัญหาให้จิตตัวเองจิตมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วอย่างนี้เลยเป็นนามธรรมเฉยๆไม่มีตัวตนทิ้งมันไปนเลยทีนี้อะไรมาง ก, ก็ดูได้ดูปกติเลยพอดูเป็นปกติอย่างนี้ จิตเราเขจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาเองนี่หลักกของพาทธิย่าไม่ให้ยินดีนยินร้ายก็คือหลักเดียวกันเนี่ยจิตบางคนก็มีกําลังคือไม่เอาอะไรทิ้งหมดเลยอะไรผ่านมาทิ้งอะไรผัมาทิ้งอย่างนี้ก็ง่ายเขาเกี่ยวกับอินทรียบุรลมีเคยทํามาถึงเวลามันก็ลงตัวได้เพราะจิตมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นธรรมาชาติมันเฉย จิตก็เป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสุญญาตาบางทีก็เรียกสุญญาตาว่างเปล่าจากตัวตนสุนยูบางทีก็รู้สึกเหมือนมันตายเหมือนมันดับเหมือนมันว่างคือชื่ออะไรมันก็ตรงหมดอ่ะเพราะว่ามันไปถึงธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยเหมือนไม่มีจิตเหมือนไม่เป็นอะไรนี่สภาวะของนิพพานเป็นนิพพานธาต เวลาปฏิบัติเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ที่บูมจิตของแต่ละคนมันก็พอดีของเราอย่างไรเราก็ทํำไปมันจะมีความลงตัวของมันอยู่เขาให้มีหลักธรรมของบูตเจ้ากํากับเอาไว้มัชิมาปฏิปทาคืออะไรกระทางสายกลางคือจิตเป็นกลางๆไม่ยินดีไม่ร้ายอย่างมันถึงปัญหาพัยินพัยินมีปัญหาจะตายอะไรอววรสมบัติไม่อยากพัดพลาจากไป แล้วก็รู้เดี๋ยวพระอินทกใหม่จะมาแทนจะมีสัปดาห์มากกว่าตัวเองมี่ยอนุภาพมากกว่าก็ยิ่งใจก็ยิ่งไม่สบายเพราะยังเป็นบุตุชนอยู่นี่ทุกมากสมบัติก็จะเป็นของคนอื่นบริวารอะไรหมดเนไปชื่นชมคนอื่นหมดดูสิจิตนี่มันพุ่งแต่งไปได้หมดทั้งร่างยี่จตายอยู่แล้วมยังอะไรเอาวอนอนุอัน น, น, อนนี้เอามาทําให้ถึงเป็นทุกข์เจ็บปวดทุกทรมาน หาที่พึ่งทีนี่นี่คนเราเขาทุกข์ง่ายๆเทวดาก็ทุกข์กกเหมือนกันเนี่ยเพราะมันเรื่องของจิตดูสิมันหาเรื่องง่ายๆเลยนะถ้าธรรมะก็คือสิ่งเหล่านี้เกิดดับมันมีอะไรถ้าทําใจได้เอามันก็การพลาดพลาด ก, ก็เป็นธรรมดาเกิดมาแล้วไม่พลาดพลาดจากกันมันก็ไม่ได้ตายไปก็สมบัติมันก็เอาไปไม่ได้แต่จิตมันยอมไม่ได้เนี่ยวิชาความโง่ความโหลงทาให้คนเป็นทุกข์ เราทุกข์เราไม่อยากาพัดเปล่าเราอยากให้สมบัติมันคงที่เป็นของเราตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงมันเข้าใจผิดหมดเลยเราก็เหมือนกันเวลามีทุกข์เนี่ยมันอยากให้เที่ยงอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการไม่อยากมันเปลี่ยนแปลงไม่อยากาพัดเปล่าจากกันไปอยากให้เป็นอย่างที่เราคิดกลัวไม่เป็นอย่างที่เราคิดความคิดชื่อความอยากกันแหละรู้นรูู้ว่าความคิด กลัวมันเป็นไปอย่างที่เราอยากเราต้องการอย่างให้เป็นอย่างหนึ่งกลัวมันเป็นอย่างหนึ่งอันนี้กลัวลงหนาไปเลยบางทีมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งจริงๆก็ทุกอีกไม่เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการธรรมะมันจริงมองไปมันทุกเพราะความโง่จริงๆความโง่ความหลงพระอินทก็ยังมีบุญนะนึกหาที่พึ่งไม่มีใครเลยนึกไม่ได้มีพระเจ้าองเดียว นึกขาคูบาอจารย์องค์นู้นองนี้สาสุดาทั้งหลายไม่มีมีพระเจ้าเราหนักอย่างนี้เลยนะไปเฝ้าวูติเจ้าโาคกาถามปัญหาคาเตวงเจริญ ท, ท, ทําไมเทวดานาคคนทันอสูรมนุษย์หรือว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งทั้งที่ไม่อยากมีเวรไม่อยากมีภัยไม่อยากมีอาทยาไม่อยากมีความขับแขนใจแล้วทําไมมันยังมีอยู่เล่ามีอะไรเป็นเครื่องผูกอะไรเป็นเครื่องผูก ก็ไม่รู้ว่ามันอะไรมันมาจากไหนถ้ามัอยู่ดีๆโผมาทำ บ, บีบคั้นใจทำให้เป็นทุกข์ยิงพระอินท์เนี่ยเห็นง่ายเพราะว่ามันกําลังทุกข์อยู่แต่ก่อนมีแต่ความสุขความสบายพอทุกข์ปั๊บเกิดขึ้นเนี่ยมันจะพัดพากจากสวรรค์แล้วเนี่ยจะเทวโลกเมื่อทุกข์ก็บีบขั้นนก็สงสัยมีปัญหามีเวรมีภัยมีทุกข์มีค่าศึกศัตรูมีความขับแค้นใจ ก็คือทุกในจิตนั่นแหละจริญในออกมามก็เยอะแยะเพราะอะไรแต่ว่าผู้เจ้าดูรู้อัธยาศัยพระอินทร์ก็เลยตอบเป็นเพราะว่าความมัจฉริยะตนันีและก็ความดิษยาถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกอิศาแต่ภาษาไทยเราเรียกดิษยาตนีนี่ก็คือห่วงเห็นสิ่งของตัวเองทนไม่ได้ถ้ามีใครจะมาเอาของตัวเองไปนี่คืออาการความตันี ส่วนลิศยาเนี่มันเป็นทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นมีสิ่งที่ตัวเองไม่มีอันนึ่งมันมาทนไม่ได้เกี่ยวกับของตัวเองที่คนอื่นจะมาเอาไปอันนึ่งทนไม่ได้ไปนของคนอื่นพอไปลิศยาเขาเพาาอพระยาตอบไปพระอินนี่มันเห็นจิตตัวเองขึ้นมาอยู่พอมีทุกข์อยูอ่เข้าใจทันทีเลยโอ้เป็นโมยอย่างนี้เองแต่ก่อนนีมันไม่เข้าใจ มันไม่เห็นจิตตัวเองพพราะเจ้าตอบปั๊บปับมองเห็นจิตตัวเองเข้าใจความหมายแล้วความตณีแล้วความลิสยามาจากไหนพระเจ้าค่ะมันมีต้นเหตุต้นต่อต้นเขาเข้มูลมาจากไหนมีนิทานมาจากไหนพระพุเจ้าก็มาจากสิ่งอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักสลองระรักอะไรขึ้นมาเถใครจะมาเอาก็หวงเนีตณีหรือคนอื่นก็มีกิจชาริสยาเขานะ พระอินก็เห็นอีกโอ้เป็นเพราะเหตุนี้เองเพราะมีสิ่งที่เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักแล้วสิ่งเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักมาจากไหนอีกะมีอะไรเป็นต้นเหตุต้นต่อเป็นเขาเป็นมูลเรียว่าสาวหาเหตุมาเลยกะไล่ให้ทันเลยจ้ีมันมาจากไหนต้นต่อมันพระเจ้ามันก็บอกมาจากฉันทาพอใจก่อนมันจะพอใจขึ้นมาคนเราจะรักอะไรมันจะมีเกิดความพอใจ สวยงามขนาดไหนถ้ามันไม่พอใจอมันไม่เอาอะมันไม่ลักมันอยู่ที่ความพอใจพอยินงก็เห็นอีกฉันทัพพอใจพอใจตามวนังตนาตามความอยากแล้วฉันทัพมาจากไงนอ๋อซักเอาจุนจะก็เอาให้ถึงต้นเหตุมันเลยนะ่ะพอใจแล้วก็รักรักแล้วก็ตนันนีห่วงแหนห่วงแหนแล้วก็มีการอาลักขาหนีปัญหาตามมานะ มีการแย่งชิงกันทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยแบ่งพักแบ่งพวกนี่แหละปัญหาของโลกมาจากจิตเนี่ยฉันถ้ามาจากไหนผู้จะมาจากวิตกวิตกก็ความคิดความคิดปับป๊บขึ้นมาเนยมันจะมดปั๊บขึ้นมากขาเรียวิตกความคิดครั้งแรกๆก็คือพวกสังขาร น, นั่นแหละแต่เป็นสังขารแรกๆเขาเรียกวิตกเสตาเราเห็นปับ๊บอันนี้เหมาะสําหรับเรานเนี่ยมันคิดขึ้นมาละมันตัดสิ น, นยความคิดตัดสิน เพื่อตัวตนเพื่อตัวเราทําเพื่อตัวเรามันมีเราแทรกอยู่ในนั้นอันนี้ดีสําหรับเรามันก็เกิดความอยากเกิดความพอใจขึ้นมาพอใจได้มากับรักใข่ใหงอยไยกันตาหนีทีเหนียวหนั่นฤทิ์ย่าเกิดขึ้นต้นตอมาจากจิตมันคิดขึ้นมาก่อนคิดว่ามันดีสำหรับเราเหมาะสมสําหรับเราถ้าได้มาแล้วจะดีนี่นแหละพวกนี้แหละ มันหลอกว่าเป็นเราเพื่อเราเพรยิ่งเข้าใจอีกพอดูจิตตัวเองไปตามไปตามไปแล้ววิตกหรือความคิดหนมันมาจากไหนพะเจ้าค่ะคราวนี้ผู้เจ้าอธิบายมันมาจากปัปจจันทสัญญาสังขาอันนี้คือสัญญาที่ซับซ้อนเช่นไปเห็นอะไรแล้ ว, ลวมันอยากอยากปุ๊บมันจะเก็บเอาไว้สัญญามเก็บเอาไว้เอออันนี้ได้มาแล้วจะดีอย่างงั้นอย่างนี้นยมันเก็บสะสมมาไว้มันตัดสิน เก็บคอยนิ่มันตามอำนาจตัญหาตามอำนาจพงนานะเห็นเขาดีกว่ามันก็อยากอยากดีเท่าเขามันก็อยากทํานั่นทนํานี่อยากให้ดีหรือเขาได้ดีกว่าเราก็อยากดีเท่าเขาอยากดีกว่าเขานี่พวกนี้อำนาจอำนาจนะตัญหามานะมานะนมัไปเปรียบ เ, เทียบกับคนอื่นแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อตัวเองทิฏฐิพอความเห็นผิดหลงผิด ในใจของแต่ละคนมันอยากให้เที่ยมอันไหนไม่ชอบใจก็อยากให้มันสลายไปอยากมันหายไปอยากให้สาบสูญไปมันไม่รู้มันมาจากเหตุปัจจัยเรื่องของธรรมชาติมีเหตุก็เกิดขึ้นได้หมดเหตุก็ดับไปไม่ได้เกี่ยวกับเราว่าอยากให้มันอยู่ตลอดไปหรือว่าอยากให้มันสาบสูญไปนี่ในความเห็นผิดแต่เนี่ยเขาเรียกวิชาทิฏฐิมันมีตัวมีตนอยู่ในนั้นคอาจึงเดียวว่าตัณหามาณทิฏฐิ สัญญาวงนี้เขาจึงเรียกว่าสัญญาซับซ้อนเพราะมีมตัณหาเขาไปแทรกมีมานะเขาไปแทรกมีทิฏฐิเขาไปแทรกซ้อนอยู่ในนั้นทีนี้คนเราอ่ะมันชีวิตมันดําเนินมาพบชาติหมืุนหวตายเกิดมันเก็บเอาไว้หมดเลยนะจึงเรียกว่าปอบัญจสัญญาสังขารเป็นสัญญาซับซ้อนแต่จงังหวะปุ๊บขึ้นมาสัญญาต้องมาก่อนตึออ๊บถ้าทันสัญญามันก็ไม่ปู ม, มันก็ดับ พโยนปั๊บฟังปั๊บเข้าใจอันเดียวต้องดับที่สัญญานี้เท่านั้นอย่างงี้เลยนะพราะพระยนก็สร้างบา ร, รมีมามากเหมือนกันนะฟังธรรมะเข้าใจไปถามปัญหาปัญหาเรื่องจิตเลยการทํา ง, งานของจิต น, นี่ไม่ธรรมดาเลยนะตน้องมีบุญต้องมีบารมีฟังเข้าใจตามไปตามไปเข้าใจเลยแล้วจะดับสัญญาได้ยังไงพระเจ้าค่ะจะทันได้ยังไงตรงนั้นนะ่ะตรงสัญญามากกว่านี่มันจะสุกแลเป็นความคิดคือมากว่าที่จะดับความคิดมาเป็นความพอใจ ตามวนาทขความอยากกว่าที่มันจะมาลักหัวห่วงใหญ่กว่าจะมาตันหนีมาอิริศยาเนี่ยต้นตอมันมาจากสัญญาสับซ้อนนั่นพรกเจ้าพกให้ตามดูเวทนาตอนนั้นพิยิากำลังมีทุกข์อยู่เนี่ยเวทนามนชัดเจนเนี่ยทุกขเวทนาทางจิตตามดูเวทนาเวทนาไหนถ้าตามดูแล้วเนี่ยกุศลมันเจริญกุศลเจริญคืสติมันดีปัญญามันเกิดสมาธิมันตั้งมัน่นมันเห็นความจริงได้ แต่ถ้าไปเกี่ยวข้องมันแล้วมันทําให้จิตฟตุ้งซ่านรู้ว่าจิตมันเซึ่งซึมมันเบลอมันไม่ได้คือไม่ควรเสพให้ดูธนาไหนควรเสพเสพในทนี้คือใช้สอยตามดูก็ได้ภาษาของธรรมานี่ยอย่างเช่นนักไอเบอร์สุขขึ้นมาไปตามดูสุขพอใจอยู่ลึกๆอย่างเงี้ยมันก็เสียกุศลมันก็เสือ่อมอกุศลก็เจริญแต่ถ้าตามดูแล้วนี่เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นเป็นของหน้าเบื่อหน่าย ไอ้อย่างนี้ให้ตามดูนี่พยินปั๊บรู้ทันทีเลยจ่อเข้าไปหาทุกขเวทนาที่มันอยู่ในจิตคือเทวดาเนี่ยมันเวทนาทางจิตมันชัดทางกายของเขามันกายละเอียดคนไม่มีเวทนาทางกายแค่เขาโกรธกันอย่างนี้ละลายเลยเทวดาหิวข้าวลืมกินข้าวอย่างละลายมันกันตายเล่นเพลินหลวงพยินเนี่ยฟังบั๊บเข้าใจจ่อตามดูเวทนาเห็นความเกิดดับในจิต บรรลุโสดาบันได้นี่ตามรู้จิตจะบรรลุโสดาบันได้มันมาจากจิตนี่ทีม่มก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์พระอินทร์เขาก็คอยสร้างบา ร, รมีมานานกว่าที่จะไปเกิดเป็นพระินทได้ครับขนาดเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนายัางทําความดีเสียสละตลอดชีวิตเลยนะพระอินทเนี่ยบา ร, รมีต้องไม่ธรรมดาพวกเรามาอยู่วัดไปมาบวชก็ไม่มธรรมดาเหมือนกันพราะคนในประเทศไทยมันทั้งเท่าไหร่70ล้านคน ที่จะมาสนใจปฏิบัติตามโมติยามีน้อยเพราะ ม, มันจริ่งต้องมีสติรักษาจิตเราว่าที่มันจะไปทันสัญญาปับปัญจัดสัญญาสังขารสัญญาสับสอนได้ถ้าไปทันตรงนั้นบับมก็เนี่ยเห็นมันเกิดเหตุมันดับหมดแหละเราก็ต้องตามดูไปวิทนาหรือว่าเจริญสีตัวอันสีนี่ละใบด้วยแล้วไงพัฒนาไปพัฒนาไปจะเห็นการทํางานของจิตพวกตามดูกายก็เหมือนกันตามดูกายไป ข้อกายชัดเต็มที่เดียวมันก็มาชัดที่จิตเหมือนกันคือสติปัฏฐานสี่มันสมบูรณ์มีกำลังดูเวทนาก็ดูจิตดูกายไปพร้อมกันเลยดูธรรมไปพร้อมกันเลยต้องให้ปฏิบัติไปนะั่ง